แล้วแต่วให้พวกเราเตรียมกายเตรียมใจเนาะให้พร้อนมะเตรียมกายให้พร้อม <c oughs> ก็คือนะอาจจะนั่งด้วยความสำรวมนะสำรวมนะสำรวม <c oughs> ก็คือว่าสำรวมสายตาเนาะไม่วอกแวบบ๊กปลอดสายเนะี่ยสำรวมหูเนี่ยนะที่นี่ก็สำรวมนะให้ได้่ดยเตียงข้างนอกนะ <c oughs> ก็มีเตี้ยตรงนี้นะ สำว่าจิตใจทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะสำว่า จ, จนะิตใจบางทีเตั้นั่งอยู่ตรงนี้นะแต่จิตใจมันทะลุกำแพงนะมันเร็วไปถึงที่บ้านเนะ่ยไปถึงที่ไหนก็ได้นะโดเฉพาะการคำว่าจิตใจก็คือการการคำว่จิตใจเนาะให้จิตใจเราอยู่กับปนะัจจุบันในธรรมนะให้จิตใจเราอยู่กับร่างกาย เราล่างกายของเรา น, นั่งอยู่ตรงนี้นะบางทีจิตใจมันระเบิดไปที่อื่นนะเราก็มองเป็นธรรมชาตินะนไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสงบใจไม่คิดฟุ้งซ่านเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าธรรมชาติของใจเนะี่ยมีธรรมชาติของความฟุ้งซ่านอยู่อย่างหนึ่ง มันเป็นกิเลสที่จะคอยชักชจูงจิตใจให้ไปคิดนะให้มันไม่สงบแต่การปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าต้องทําใจให้สงบให้ไม่คิดน ะ, นะการปฏิบัติธรรมคือเมื่อเรารู้เท่าทันว่าใจเราต้งสัานหรือไม่สงบเรามีสรรมฐานสักอย่างหนึง่งคอยดึงจิตนะกลับมาไม่ว่าจะเป็นอย่างสายพ่อเทียน การสร้างจังหวนะนะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนนี่คือกรรมฐานที่เรียกว่าคอยดึงใจกลับมาหรืออน า, านาปานสตินะการกลับมาดูลมหายใจนะก็กลับมาแล้วลึกรู้ลมหายใจหรือบางคนอาจจะเป็นเวทนาอิตาหรือธรรมานุปัสสนาก็ะดับแ่ก็คือว่าเอาเอารมณ์พวกนั้ น, นเป็นตัวระลึกกลับมาให้เรารู้ตัวว่า สภาวะนะของลูกหรือของนานตงตรเนี้มันอยู่ในอาการไหนอันนี้อันนี้คือการปฏิบัติธรรมัะที่เรียกว่าเป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานก็คือว่าเรามีรูปแบบสักอย่างหนึ่งเพื่อดูจิตนะกลับมานะให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะอยู่กับเนื้อกับตัวก็จิตมันมักจะออกไปนอกตัวบ่อยๆนี่คือธรรมชาติ ไม่ใช่ผิดปีศาจนะถ้าเราปฏิบัติทําไปแล้วมันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดนั่นคิดนี่เยอะแ ย, แ ย, แยะเองเราอย่าไปโกรธเขานะแต่ถ้าเราออ่ไม่ชอบเขาเนี่ยมันจะทุกข์ใจมากเลยทุกข์ใจที่ทําไมมาปฏิบัติทําแล้วมันไม่สงบทุกข์ใจแล้วทําไมมันไม่มีความสุขเนี่ยบางทีเราจะเคยปฏิบัติทำแล้วมันสุขสบายสงบดีนะ แต่พวกนั้นมาเป็นบางวันนะมาเป็นขีรักขณะมันก็เอาแน่อานอนไม่ได้เนาะเหมือนกับท้องฟ้าบางวันก็สดใสนแดดออกดีบางวันก็ครึ้มบางวันก็ฝนตกจิตใจก็เหมือนกันนะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ตั้งแต่เช้าจนค่ำโดยแต่ละวันมันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่การภาวนาเนี่ย มันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนนะไม่ใช่ไปเปลี่ยนดินฟ้าอากาศไม่ใช่ไปเปลี่ยนนะใจให้มันไม่คิดแต่การภาวนาคือเรียกว่ายกนะยกใจให้หลุดพ้นออกมานะพ้นจากความทุกข์ตรง น, นั้นออกมานะพ้นออกมาแบบไห น, นพ้นออกมาเป็นผู้ดูผู้เห็นนะไม่กลายเป็นผู้เป็น่งนะหรือผู้ที่โจนเรายกจิตออกมาเลย ย่อ จ, จิตออกมาสังเกตรหรือว่าดนะูคล้ายๆเหมือนกับเราไปอยู่ในเช่นเราไปอยู่ในน้ําทะเลแบบนี้เนาะทะเลก็ย่อมมีคลื่นก็ย่อมมีลมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้าเราลอยเบืออยู่บนทะเลนั้นก็ต้องเจอคลื่นเจอลมเนี่ยธรรมดาการภาวนาก็เหมือนแต่ แ, แรกก็เหมือนเราก็ต้องคล้ายๆ รู้ตัวในการขึ้นมาขึ้นมาอยู่บนผิวน้ําเช่นอยู่บนเรือนะขึ้นลมก็ขึ้นก็จะอยู่ใต้เรือนะถ้าเรือเราลําใหญ่เรือเรามีการนะเรียกว่าเดินทางที่ถูกเนาะมีกัปตันเรือมีคนที่พายเรือที่เก่งนะเรือเราก็ไม่ต้องจบจมลงไปในทะเลนะแต่ก็คือว่าเราก็ อยู่บนเรือไปเรื่อยแต่ปลายทางของเราคือพยายามพาเรือกลับเข้ามาหาฝั่งเอาเข้ามาเทียบท่าให้ได้เมื่อเทียบท่าแล้วเราก็ออกจากเรือซะมาอยู่บนฝั่งไม่ต้องเป็นเมาขึ้นไม่ต้องไปไงไ ป, นะประทับประคองกนะลัวว่าเรือมันจะล่มการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะเหมือนคนที่มนไปนจมอยู่ในน้าตลอดนะนะ ประวัติโพขึ้นมาก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จมนะคำว่าจมน้ำก็คือส่วนใหญ่จมกับความคิดนะจมกับอารมณนะ์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะหรือว่าก็ไม่ทันไม่ทันเวลาขัสสะนะผัต ส, สะคือการกระทบนะเช่นตากระทบนะสิ่งของกนะ็เกิดใจที่อยากจะได้นะ หรือกระทบสิ่งที่มันไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ไม่อยากเห็นเห็นคนนี้มาแล้วโอ้ยจิตมันทุกข์มันไม่มันเห็นขี้หน้าคนคนนี้นะอืมเห็นเสื้อผ้าแบบนี้แล้วใจมันเต้นเหมือนเราชอบอยากจะได้เลยนะเห็นรถใหม่ๆ ม, มาโอ้อยากจะขับเมันเข้าบ้างอันนี้คือธรรมชาติบางทีมันก็เป็นแบบนั้นนะเราไม่ได้ห้าม แต่หน้าที่เราจะฝึกเพื่อให้รู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วนะเราจะมีสติในการเลือกได้ว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธนะไม่ทำอะไรเลยหรือว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การปฏิเสธว่าเราจะต้องไม่ต้องละทุกอย่างในโลกนี้เอาไปอยู่ป่าอาไปอยู่วัดนะ แต่สติและปัญญาเนะี่ยมันจะทําให้เราเลือกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นอะไรคือสิ่งที่ไม่จําเป็นนะอะไรคือสิ่งที่เราทำํำนะเพื่อความอยู่รอดหรือว่าเพื่อเพื่อกลูนต่อคนอื่นอะไรคือเราทำเพียงเพื่อแคก้สนองปัญหาอสนองความชอบของเราอย่างเดียวเนะี่ยการปฏิบัติธรรมเห็นไหมมันจะกว้างขวาง มา ก, ก่อ ก, การแค่เราปฏิบัติในรูปแบบนะการปฏิบัติทำในรูปแบบเนี่ยก็คือการกลับมาหาหาอิริยาบทหรือหากรรมฐานที่เรากําลังทําสักอย่างหนึ่งการทำทิ้งนี้ยจะทําให้สตมิมันมันมีกําลังมากขึ้นนะเรียกว่าสะสมให้มันมีกําลังมากขึ้นคล้ายๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือในห้องเรียนหรือเราไปติวพิเศษนะ มันก็จะทําให้เรา เ, ออเกิดความเข้าใจมากขึ้นแต่ที่จริงการเรียนรู้นะมันไม่ใช่แค่อยู่ในรูปแบบเหมือนกับการเรียนรู้ไม่ใช่จํากัดในห้องเรียนในคอร์สเท่านั้นแต่ที่จริงทุกขณะของเรานี่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนจริงนะทุกขณะในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนไม่ว่าเราจะกินข้าว ไาเราจะอาบน้ําไม่ว่าเราจะขับรถไม่ว่าเราจะเป็นชุมนะี่เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายกับจิตใจนะี่เราเกี่ยวข้องกับโรคนะเกี่ยวข้องกับคนอื่นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมในตอนนั้นนะนะจิตก็จะไปมีความชอบมีความชังกับสิ่งที่เรากระทบเช่นรถติดไฟแดงอืมเหลือร้อยวนาทีเนะี่ยไม่ชอบใจ เราก็จะหนหุดหงิดในร้อยวินาทีนะั้นนอันนี้คือเราก็เสียเวลาไปร้อยวินาทีที่เราติดนะแต่ถ้าเรามีสติชัิงก็ติดก็ไม่เป็นไรนะก็เนะรู้สึกตัวไปแม้ใจอาจจะเสียดายนะหนหุดหงิดแต่มันก็จะเห็นว่าใจที่หนุดหงิดน่นนะก็ส่วนหนึ่งนะแต่เราก็สามารถกลับมารู้ตัวกลับมามีสติได้นะกลับมามีสติได้ อันนี้คือเราก็จะกลับมาได้หรือบางทีเกิดความคิดเวลาเราเกี่ยวข้องกับผู้คนเนาะเกิดความคิดขึ้นมาอยากจะพูดตามความคิดบางคนคิดว่าเราเป็นคนตรงคิดยังไงจะต้องพูดอย่างนั้นแต่ถามตัวเองดูดีๆถ้าเราต้องพูดทุกความคิดของเราเนี่ยเราจะมีความสุขไห ม, มปัญหาในชีวิตเราจะมากตื่นน้อยนะเอี พราะวันวันหนึ่งเราก็คิดเอาคือสนไมรู้กี่ครั้งนะอืมอันนี้เอาแค่คําพูดถ้าเอาการกระทําด้วยเนี่ยต้องทําตามทุกความคิดเนี่ยอืมเราจะเรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุขเนาะนั่งอยู่ห้องเนี้คิดอยากจะไปกินกาแฟแล้วรถไปเลยเห็นไหมรถไปทันทีนคิดอยากจะกลับบ้านแนละ้เวเเบื่อ น, นิดนึงคิดอยากจะกลับบ้านก็ไปทันทีพอกลับบ้านแล้วไม่เห็นมีความสุข อยากจะไปห้าก็ไปดีนทีนะคือจิตมันพาร่างกายไปนะนี่คือถ้าเราทำตามทุกความคิดโดยไม่กรองเนี่ยเราจะเรียกว่าอยู่ไม่นิ่งหลับนะแล้วก็ทำอะไรก็ไม่สบความกระเกก็มันจะไปเรื่อยไปเรื่อยคำพูดก็เหมือนกันนะถ้าเราพูดทุกคาในในความคิดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่แต่จริงสัมมาวาจาก็ก็บอกแล้วนะ ไม่พูดเท็จไม่พูดเพรเจอร์ไม่พูดคําหยาไม่พูดสอดเสียเนีอย่างอื่นที่ไม่ใช่สี่เรื่องเนี่ยพูดได้หมดนะอเออพูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่ถูกกาละเทศะเนี่ยถ้าประกอบด้วยสามกิจเนี่ยก็พูดได้นะไม่ใช่ว่าต้องปิดอืยิ่งเงียบอย่างเดียวแต่ก็ แต่อย่างพอาการปฏิบัติทำถ้าเราพูดน้อยลงไปเนะี่ยมันจะเป็นการเหมือนทําให้เห็นบางอย่างในตัวเรานะอย่างตะมาตอนแต่ก่อนเคยไปปฏิบัตินะก็ปิดวาจานะี่ยเจ็ดแปดวันนะเราก็คิดว่าเราเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนะไม่ค่อยขี้เกียจพูดนะอ ไ, ไปต้อไปคนเดียวไม่รู้จากใครเลยนะสี่สิบห้าสิบคนอยู่ในคลอดด้วยกันก็ไม่ได้อยากพูด วันแรกๆก็ไม่ได้อยากพูดนะแต่พอวันหลังๆนะแม้ไม่ได้พูดกันนะแต่เห็นกันทุกวันนะปฏิบัติทําด้วยกันกินด้วยกันนอน้วยกันใกล้ๆกันนะความรู้สึกอยากจะรู้จักเขาความรู้สึกอยากจะทักทายมันก็เกิดขึ้นมามันก็เห็นนะเขาเห็นใจที่มันมีความอยากขึ้นมานะแต่มันก็มีสติเตือนว่ากฎกติกาเขาไม่ให้พูดนะ มันก็เออทำให้เราได้สติเออถ้าเราพูดแสงว่าเราหลงไปละแต่ถ้าบางคนไม่ทันก็อาจจะแอบแอบพูดต่อไปก็มันคล้ายมันล้นเนาะมันล้นอยากจะระบายสิ่งที่มันจึดอัดในใจนหรือบางคนก็คอยเวลาดีใจเมื่อไรจะถึงคอส <c oughs> จะได้พูดสันแบบเต็มที่ทันทีนะไอ้ที่ปฏิบัติมาเจ็ดแปดวันก็ เหมือนเราสะสมน้ำเต็มก็ไม่เต็มหรอกนะก็ได้มันพอสมควรพอถึงสุดท้ายก็ดูปิดน้ำเปิดกรอกทิ้งไว้ก็น้ำก็หมดไปนะอันนี้คือมันก็ต้องระวังมาธีการปฏิบททัติทมทำไมเราถึงให้กินน้อยให้พูดน้อยนะหรือนอนน้อยเพืนะ่ออะไรมันจะได้เห็นนะเห็นพฤติกรรมบางอย่างของจิตนะที่มัน อยากจะทําตามความคิดหรือตา ม, าตามนะ ค, ความทาตามอารงเนาะกาภาวนาคือพวกนี้นทําไมบางอย่างเราต้องอดทนอดกลั้นบ้างเนยบางอย่างเราต้องฝืนบ้างเพราะจริงฝืนเพื่อให้เห็นนะไม่ใช่ฝืนเพื่อให้มันหายมันต่างกันนะฝืนเพื่อให้เราได้เห็นเช่นเรานั่งนานเนย เกิดความปวดเมื่อยขึ้นมานะใจมันอยากจะเปลี่ยนทันทีเลยนะเราลองขื่มันดูนิดนึงดูซิว่ามันทนต่อได้ไหะทนต่อได้ไหมถ้านะทนต่อได้ไ น, ไดนะก็แปงว่าร่างกายเรายังไหวนะเราก็นั่งไปต่อนะทนต่อสักหน่อยนะดูสักถ้ามันปวดเมื่อยมากก็เปลี่ยนก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่ทนนิดนึงเราจะไม่เห็นความอยากนะหรือว่าความทุกข์ ที่มันแสดงขึ้นมาแต่จิตใจเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องอดทนนะจิตใจถ้ามันเป็นความทุกข์เนี่ยละได้ทันทีเลยนะเช่นโกรธเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทนโกรธแบบนั้นนะทุกข์ก็เหมือนกันแต่เราอาศัยการเปลี่ยนเปลี่ย น, นะยนมาหาอิริยาบทที่เรากำลังทำนะไม่ใช่เป็นการเสแสร้งไม่ใช่เป็นการหนีอารมณ์นะ การเปลี่ยนกลับมาหากรรมฐ า, านไม่ใช่เป็นการหนีแต่เป็นการมาตั้งหลักเราไ่ได้หนีนะแต่เรามาตั้งหลักให้ใจเรามาเป็นปกติให้ใจเรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวเมื่อนั้นเราจะมองปัญหาเราจะมองความทุกข์อย่างเรียกว่าทะลุปลุกโผลหรือว่ามองแบบเป็น ผู้สังเกตการมองแบบเป็นคนนอกนะมันจะเห็นอะไรที่ชัดเจนกว่านะทําไมแบบเวลาเขาเล่นกีฬานะเช่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่บางทีโค้ดทําไมต้องมีโค้ดเพราะว่าโค้ดจะเห็นเห็นภาพรวมได้ชัดกว่านะักกีฬานะักกีฬาพอเราระละเล่นมันจะจมกับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะความคิดความอ่านทีมนก็มันอาจจะไม่ทมันเพราะว่ามันใช้สัญชาตญาณในการแก้ปัญหาเป็นหลัก แต่ทำไมโค้ชเขามองเขามองเกมได้ชัดกว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นผู้ ส, สังเกตเนี่ยผู้สังเกตสังเกตเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรแก้อะไรดีอยู่แล้วมันจะสังเกตรหรือเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เมี่ยวกโค้เราเป็นแค่ผู้ชมเนะี่ยเราก็จะเห็นนะเอออะไรมันควรทำอะไรดีกับการอะไรนะมันก็จะดูจิตใจของเราก็เหมือนกันนะเนี่ย ถ้าเราออกมาเป็นผู้ดูนะก็จะเห็นนะเห็นสภาวะอารมณ์ต่างๆนะที่เขาที่เขาแสดงแต่ที่จริงมันก็จะต่างจากจากที่ผู้เมื่อกี้เรื่องอกีฬาเพราะที่จริงการมีสตินะี่คือการดูเฉยๆก็พอนะดูเฉยๆแบบไม่ต้องแก้ไขอะไรนะ ถ้าใจเราเป็นกลางใจเราตั้งมั่นการแค่ดูอารณ์เฉยๆโดยไม่ต้องเข้าไปแทกแซมไม่ต้องไปทาอะไรเลยนะไม่ต้องดินดนอยากให้มันหายไม่ต้องดิ้นดนอยากให้มันดีไม่ต้องดินดลในการรักษาใจแค่ดูเฉยๆนะมันจะเห็นความจริงที่ที่เขาแสดง ความจริงในที่นี้คืออะไรเห็นทุกอย่างเนะี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็แล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่มันจะมีปัญญานะ่ในการเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีปัญญารู้เองแหละว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนะี่ยมันก็เห็นแต่มันต้องบรรเทา มันต้องรักษามันต้องบำบัดความทุกข์ของลูกเนี่ยมันจะเห็นแล้วจะไม่หายไปเองบางทีก็ไม่ได้เช่นหิวข้าวจะเห็นความหิวแล้วมันจะอิ่มมันก็ไม่ใช่กลางคืนจะเป็นต้องนอ น, นเพื่อพักผ่อนจะเห็นเฉยๆแล้วมันจะอิ่มไปเลยมันก็ไม่ใช่ ลูเรื่องของรูปก็ต้องบันเทารักษาบำบัดแต่เรื่องของใจเนี่ยเห็นเฉยเฉยเนี่ยมันรักษาได้หมดเลยนะนะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ยากกว่านะหรือเป็นเรื่องที่มันเราไม่ชินเนาะเราคิดว่าเราต้องไปคอยแก้ไขต้องไปจัดการต้องไปทำอะไรต่างๆแต่การมีสติจริงๆเนี่ย แค่เห็นเฉยๆนะถ้าภาษสาอุบอาจารย์ในสายของพ่อเทียนท่านจะบอกว่าให้รู้ซืนะ่อๆรู้ซื่อๆก็คือรู้ไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ไม่ต้องทำอะไรรู้แบบไม่ต้องไปให้ค่าการรู้ซื่อๆคือจิตมันแค่ดูเฉยๆนะจะเรียกว่าทานาะเมื่อกี้ที่เราสวนนะ มีสติที่เป็นอุเบกขาแล้วแลอยู่นะอุเบกขาคือการยอมรับความจริงแล้วก็เกิดการปล่อยวางนะมีจิตเป็นอุเบกขานะสติเป็นอุเบกขาแล้วแลอยู่แล้วดูอยู่นะดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือสุดยอดมีธรรมนะ น, ะนี่คืออริยมรรคมีองคนะ์แปดเนี่ยมันสรุปลงมาที่ตรงนี้แหละนะ มีสติเป็นอุเบกขาแล้วแงแลดูอยู่หรือพูดง่ายๆก็รู้สื่อ <c oughs> รู้ตัต้งแต่ตื่นอะไรทุกอย่างนะอะไรจะเกิดขึ้อนอันนี้นะคือเราจะปฏิบัติธรรมกันแบบนี้แหละไม่ว่าเราจะทําในรูปแบบก็ดีหรือว่าเราจะทําอะไรก็ดีในชีวิตของเราเนี่ยลองเป็นผู้ดูมัน ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะแต่ถ้าใจเผลอออกไปแล้วก็กลับมาดูใหม่นะกลับมารู้สึกตัวใหม่ลองสะสมพวกนี้เรื่อยๆนะมันเป็นมันเป็นการเดินทางนะเหมือนที่อัญมาร์บอกนะการเดินทางเหมือนกับเราอยู่ในมหาสมุทรนะมหาสมุทรแห่งความฟุ้งความหลงเราก็ต้องรู้จักขึ้นเรือหาเรือเกาะ เรือคือกรรมฐานต้องมีกรรมฐานนะเราจะจะจว่ายน้ํากับเองก็ได้เห็นนะแต่มันยากมากนะอืขึ้นเรือดีกว่านให้มีกรรมฐานแต่ะเปรยสปาไม่มีกรรมฐานเลยเนี่ยมันจะเหนื่อยจะคิดแล้วก็จะทะลุบรรลุธรรมเลยเนี่ยมันยากนะอืมมีกรรมฐานเปลี่ยเสมอนไพรายเรื่อยแน่นไปเรื่อยเข้าหาฟั่ง แต่พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งเรืออย่าไปแบบเรือทิ้งฝั่งด้วยบางคนมีกรรมฐานเป็นติดกรรมฐานอเป็นะปติดอนะว่าต้องรูปแบบนี้อนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีนะไรเงี้ยก็ติดในรูปแบบนะแต่เรามีกรรมฐานเนะี่ยเราต้องรู้ไปเรื่อยๆอาศสยกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆกรรมฐานที่ดีคือเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายแล้วก็ด้่ยใจนะ ถ้ากรรมฐานทีไ่ไปดูข้างนอกตัวเนี่ยมันเป็นกรรมฐานที่ได้แค่สมาธิเช่นไปเพ่งกระสินกสินไฟนะไปเพ่งดวงไฟนี่ไปดูข้างนอกดูข้างนอกให้ได้ความสงบเฉยอเพ่งรวปแก้วเพ่งอะไรฝ่นจักการอะไรก็แล้วแต่เพ่งอากาศมันได้แค่ความสงบนะ<ส>แต่กรรมฐานที่ดีคือกรรมฐานที่ เรื่องด้กายนรื่งด้วใจของเรานะเพราะมันจะทําให้เราย้อนกลับมาเห็นเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตับไปนะของกายขอใจเนะี่ยนี่คือการภาวนาเนาะมันก็อนะอยากให้พวกเราได้ได้ฝึกัดกันให้เยอะๆส่วนคนเก่าก็คงเคยฝึกกันอยู่แล้วมันะก็ขอให้ตั้งใจเนาะให้เรามั่นใจว่าทางนี้แหละนะเป็นทางที่นะ เป็นชาตที่ตรงแล้วนะนะตรงในสานออะกอบความทุกข์แล้วนะเพียงแต่เราต้องอาศั่ความเพียรนะให้เราลึกอยู่บ่อยๆว่างานเนี้ยคืองานหลักในชีวิตเรานะงานท้องฟิสงานครอบครัวมาพูดหรืเป็นงานรองได้ไหมก็ทํานั้นไม่ใช่ว่าจริง น, นะอืมแต่ถ้าเป็นงานรองได้ไหมอ่า บางทีเราก็ใช้เวลาวันหนึ่งบอกมุ่นกับตรนั้นแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเอืมงานภาวนาเอาไว้ที่หลังรอแตเสียนรอไปเข้าคล้อยก่อนพอเราอแบบนีดอดอ้นะมันก็มันเหมือนก็ไม่แน่ใจว่าเราพอถึงเวลาจริงมันจะได้ทำจริงหรือเปล่านะอืมมันจะรอได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะงานภาวนาจะรอเราได้หรือเปล่าหรือจะตายก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ถ้าเราเอางานกรรมฐานเป็นงานหลักนะงานอื่นๆเราก็ไม่ได้ทิ้งแต่เราจะเอากรรมฐานไปใช้เอาธรรมะไปใช้กับการดาเนินชีวิตเรามีลูกเราเลี้ยงลูกเราจะเลี้ยงลูกแต่เอาธรรมะไปเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงแต่เอาเงินเอาทอง เอาการศึกษาไปเลี้ยงลูกใช่ไมมันก็ดีระดับหนึ่งนะถ้าลูกมีการศึกษาแต่เราลองถามไปเองเนี่ยามาหลายๆครนี้ก็การศึกษาสูงนั่นนะใช่ไหมถ้าเราการศึกษาสูงแล้วมันแก้ความทุกข์ได้จริงเนี่ยทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมเพราะพระเจ้าเองก็เรียนจบมาหลายวิชาแต่ท่านก็ยังมีปัญหาในชีวิตเนย ปัญหาคือก็ยังทุกข์ใจอยู่ในเห็นคนอื่นก็มีความทุกข์อยูนะ่นั้นเราก็จะเลี้ยงลูกนะทั้งร่างกายทั้งความรู้ทรรงโลกแต่ก็ไม่ทิ้งธรรมะนะที่จะให้เป็นมรดกกับเขารวมทั้งตัวเราเองนะเราก็เลี้ยงแบบเป็นครูนะไม่ใช่เป็นนะไม่ใช่เป็นคล้าย ผู้บงการชีวิตอออยากให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่บังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้เขาเป็ น, นบางทีพ่อแม่ก็จะคิดถึงลูกที่ประเสริฐที่อยากให้เป็นเนาะพยายามจะปั้นเขาให้เป็นดัง น, นั้นให้ได้หรือคนก็อาจดูที่ตัเองขาดตกบกพร่องอะไรก็อยากให้ลูกเติมเต็มดีนั้น แต่ถ้าเราเลี้ยงลูกจริงๆเราไม่ใช่เป็นผู้บงการเขาแต่เราเป็นผู้ที่คอยประคองหรือจีว่าดีๆคือเราเป็นแบบอย่างให้กับเขาเป็นแบบอย่างตรไหนเป็นแบบอย่างของความรักความบอบคุณหรือความสงบเนี่ยเราลองสังเกตดูเขาจะสังเกตได้ว่าทำไมทำทำอย่างไรเนาะแม่ถึงแม่เราไม่ ทีหมดหมิวเลยเขาก็จะเกิดประทับใจอย่นั้นแม่เราดูใจเย็นอหรือพ่อเราดูใจเย็นดูสงบดีเขาก็จะประทับใจอย่างนั้นคณะเมื่อเขามีปัญหาเขาก็จะกล้ามาพึ่งหรือว่ากล้ามาปรึกษาเราอันนี้คือมันจะเป็นมรดกแล้วถ้าเราทําแบบนั้นนะเราใช้ความใจเย็นใจสงบน่ะ ค่อยๆเขาไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในที่ทํางานเนี่ยมาว่าปัญหามันก็น่าจะแก้ได้ง่ายกว่านะไม่ซับซ้อนนี่แหละถ้าเราเอาเอาธรรมะนะเป็นงานหลักของชีวิตนะแล้วก็เอาธรรมะเข้าไปใช้กับทุกทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมันใช้ได้หมดนะนะบางทีเนาะปฏิบัติทำปัญหาอย่างคือไปแยกนะ แยกเรื่องทางโลกแยกเรื่องทางธรรมตอนทำธุรธกิจก็คิดแต่จะฟันกำไรให้มากที่สุดอย่างเดียวโดยอาจจะไม่คำเนึงถึงศีลธรรมนะมันก็อาจจะทำให้เราได้กาไรมากแต่มันก็ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจหรอกนะถ้กคนที่ฝ่ายทำจริงก็จะรู้สึกตะกิจใจที่ทำไม่ถูกนะแม้มันจะรวยมากขึ้นแต่จริงอาจจะเกิ มากสุดกอนสักหน่อยนอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาหาศาลขนาดนั้นเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการใช้ชีวิตนะเอาไปประกอบใช้ทุกอย่างมันจะเกิดความความสบายใจนะความสุขใจขึ้นมาแทนที่แลเราก็จะไม่ต้องรอเวลาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันตลอดทุกทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยหรือบางทีมาอันนี ะอะจจมุงมองอาจจะไม่ไดนถูกที่เตียงรแต่บางทีก็จะสังเกตนักปฏิบัติธรรมแบบรุ่นใหม่หรือว่าพวกในเมืองเนาะหลายคนก็สนใจการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการทำในรูปแบบการไปเข้าขลอดอนะแล้วก็จะสนใจแต่พอหลังจากนั้นก็แบบก็ อ, อยากจะเป็นแบบตัวเองเต็มที่น ะ, สะแสดงตัวตนหรืออัตตาเลยคือ ไม่รักของเก่านะแต่ขอสร้างของใหม่ขึ้นมานะของเก่าที่เคยคนะือแสดงธรรชาติของอที่ตัวเองคิดว่าอยากตัวเองเป็นแบบนีน้คือภาษาพเมืองสร้างอัตลักษณ์นะอัตลักษณ์คือพบนะภาษาภาษาของธรรมะไดยพบชาตินะเราสร้างรูปแบบว่า เราต้องเป็นคนแบบนี้แหละนะเราต้องกินแบบนี้เราต้องเดินแบบนี้เราต้องใช้ของแบบนี้นระตามให้ตัวเองมีอัตลักษณ์พิธีก า, างหนึ่งนะเอาไว้เลยลืมดูว่าอันนียมันคือเราก็ติดสร้างภพช่างชา่างรูปแบบหนึ่ง น, นะอนะืหรือบางคนเคยเคยข้าวข้าแบบนี้แหละก็ข้าวแบบเดินมาแหละนะอนะนะ่มันก็เลยเป็นการไม่ลดไม่ละสิ่งที่มัน ควรที่จะแก้ไขนะแต่ก็ยังภาวนาอยู่เนาะแต่จริงถ้าภาวนามันก็ดีถ้าภาวนาได้ต่อเ น, นื่องจริงมก็จะเห็นเห็นว่าตัวตนเป็นแบบนี้แหละเคยมีพระอาจารย์ค่หนึ่งท่านพูดถึงลุสิศิ์ของท่านคือท่านก็ปฏิบัติธรรมดีระดับหนึ่งแหละแล้วก็มันเห็นทางะยาอยู่ตรงนั้นนะท่านก็กระนองโยนข ย, ทขนขขยนะทิ้งบนในทังขยะคือโดยความเคยชินเหมือนกัน มันก็คือมันถ้าโดนเข้ามันก็เหมือนเราเราเทเราแม่นแบบนี้นะอาจจะมีความเคยชินเหมืนน่ะแต่พอท่านเขียนเออใจเรามันมันติดความเคยชินนะเคยโยมันนี้เข้ามันก็เป็นถ้าเราไม่เห็นตัวเองนะมันก็จะทําจนมิใจบางทีเราก็ต้องสังเกตดูตัวเอมนะในการใช้ชีวิตของเราบางทีนัปฏิบัติทำเรื่อใหม่ๆบางที เราก็สนใจการปฏิบัติในรูปแบบก็จริงแต่ในชีวิตบางอย่างเราก็ไม่ค่อยทิ้งในภาษาเรียกว่าการใช้ชีวิตนะไลฟ์สไตล์ที่เราเคยคินนะบางทีมันก็บางอย่างมันก็ดีอยู่แล้วก็ก็ดีแหละแต่บางอย่างมันก็ขัดขัดกันก็มีนะขัดขัดกันบางทีนักปฏิบัติทำไปวัดตั้งใจปฏิบัติทมเห็นพระเห็นอะไร เดินใช่ไปเลยอย่าเนี้ยไม่ต้องตามไม่ต้องไหว่นะก็มันก็อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่ถ้าบางคนเห็นตัวเองนะมันจะเขียนความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งทําให้เรารู้จับรู้จักสาระเทศะดูจักอิทธควรไม่ควรนะมันก็ทําให้เราลดละบางอย่างไปได้เยอะอันเนี้ยก็มันก็ให้เราดูตัวเองเนาะดูว่าอะไรที่ มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความเนิ่นช้านะพูดแบบนี้คือมันจะทําให้เราเนิ่นช้าแต่ถ้าเราภาวนายอยู่ไปเรื่อยมันก็มันก็จะช่วยให้เราเข็มพวกนี้แหละแต่บางทีมันก็มันก็จะช้านะมันก็จะช้าถ้าเรายังแบบแสดงนะแสดงอะไรเต็มที่ขึ้นมาแต่การภาวนาก็จะช่วยให้เราเข็นตัวเองมากขึ้น เมื่อเห็นแนละ้วมันก็จะค่อยๆลดละเลิกไปเองมาแหละแต่บางทีเราเองก็ไม่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนออยากจะเป็นแบบเนี้ยต่อไปมันก็ได้อยู่แต่มันช้านะมันก็จะทําแบบตึ้งๆตอนๆนะเราก็ต้องดูไปเองนะบางทีในเรื่องอทำไมแบบเวลาคนไปบวชคนไปอยู่วดัดอมันมีข้อวัดมีข้อปฏบิบัติบางอย่างซึ่ง มันก็เป็นการที่ช่วยเพื่อกูนนะอย่างเวลาเราบวชนนะ่ะเราเป็นถุงกบบวชเป็นพระคุณน้อยเป็นพระใหม่อางทีก็ต้องทํางานเยอะกว่าพระผู้ใหญ่งานบางอย่างที่ใช้แรงนะ่หรือว่าต้องอุ ป, ปถามคปปรูบาอาจารย์มันก็คือช่วยให้เราลดตัวตนนั่นแหละลด ต, ต, ตัวตนหรือทำไมบางที่เนี่ยก่อนจะบวชท่านให้เป็นผ้าขาวให้อยู่วัดดูนิสัยก่อน คือเพื่อเพื่อคล้าๆเกาเกาเพื่อขัดตั้งแต่ตอนนั้นก่อนนะคือการปฏิบัติทำตั้งแต่ตอนนั้นนะไม่ใช่ว่ารอบวดแล้วค่อยได้ปฏิบัติทำนะขัดตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะหรือบางที่จึงใสาสวัดป่านะถ้าเป็นคนแ ก, แก่หรือว่าคนต่างชาติทั่ว น, นนะยิ่งต้องแบบให้อยู่เป็นผ้าขาวให้อยู่เป็นสามเนาร น, นานหน่อยเพราะว่า ให้เยนรู้วัฒนธรรมให้เข้าใจวัฒธรรมไทยที่มันเนื่องด้วยพุทธหรือวัฒนธรรมของวัดที่ต้องูครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นขัดเขาขั ด, ข, ดขัดเก่าเขาให้เป็นแบบคนที่เมื่อบวชมาแล้วนยก็เป็นพระที่งามขึ้นเ่ยนะไม่ใช่ว่ารอบวชแล้วก็ไปขัดบางทีก็ยากนะเมื่อแบบวนอย่างพระเองกระบวนแล้วนคน ก็สิ้เท่ากันนี่แหละสองร้อยยี่สิบเ็ข้อเท่ากันดังั้นฉันก็เพิ่งตรวจเมื่อวานกับคุณบาจารย์บวจสามสิบปีก็สิ้นเท่ากันแหละบันทีแล้วก็ลืมคิดนะไอ้ตามสิบปีที่ผ่านมาเรากินเล้ามอยาไมนเท่าไหร่นักแต่ท่านไม่ได้กินเล้ามอยาแบบนั้นแล้วนะบางทีนักปฏิบัติธรรมนะบางทีก็ไปเช่นไปดูมีนอย่างเช่นแม่ชีเนาะแม่ชีก็สิ้นแปดเราไปอยู่วัดเราก็ถือสิ้นแปด ศีเท่ากับไม่ชีนี่แหละอืศีนในตราไม่โคนหัวแต่บางทีก็มีความยากต่างกันนะเราไปรักษาศินวันหนึ่งเราไปรักษาจีนสิบเจ็ดวันข้าพกลที่รักษาศินตอนเนื่องเป็นปีนั้นไม่เหมือนกันนะบางทีเราก็จะไปตีตนเสมอบางทีก็คือด้วยด้วยมา น, นะนะด้วยตัวตนที่มันมันก็อยากจะแสดงกรณีเนาะ ที่จริงพูดแบบนี้ก็คือว่าให้เราเห็นนะเวลาเราจะไปที่ไหนให้เราพยายามเห็นนะเห็นตัวเองแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะเราจะเห็นประโยชน์เมื่อมันเมื่อมันเกิดปัญหาไอ้พวกนี้จะช่วยได้เยอะบางทีเราจะเวลาไปสอนธรรมะหลายหลายคนเขาก็จะดูบางคนตัวตนเขาใหญ่ เราก็เห็นเขาผิดนั่นแหละแต่บางทีบางคนก็จะไม่กล้าไปเตือนไม่กล้าไปบอกเพราว่าขัวสวนกลับมันนิดนึงแต่ถ้าคนที่ดูือพอจะตู้ได้ดูอ่อนน้องก็จะมีคนไปไปตเตือนไปแนะนําเขาก็จะไม่ผิดใส่ไก่อันนี้มันก็จะเป็นตัวประกอบทั้งนั้นเลยเราเองก็เหมือนกันหรือบางทีบางขณะการปฏิบัติมันก็จะมีทางที่มันจะล้มทางที่มันจะชวนให้เรา เข้าใจผิดเยอะถ้าเรามีความขวามน่อมถ่อมตนหรือว่ามีการเคารบเชื่อฟังเนี่ยมันก็จะช่วยให้การแก้ก็จะง่ายแต่ถ้าใครแก้ยากเนี่ยเรียกว่ามีมานะสูงนะมันก็แก้ยากอย่างในสมัยพุทธกาล น, น, นะนายชันทะน่ะที่เป็นคนเลี้ยงมา้าขอพระพุทธเจ้านะ่ะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ไปไหนมาไหนกับพระเจ้าเยอะนะ ในหนังนี่ก็ในชนะก็เด่นนะหนังพธธระพุทธเจ้านะอืเขาคิดแม่จะเขาคิดตัวจะเองแน่นะชันเนี่ยคือคนที่พาพระเจ้าออกบวชเมื่อตอนเขามาบวชแล้วนะโอ้พระที่บวชก่อนคพิวาจารที่ดีๆไม่ฟังใครทั้งนั้นเลยถือว่าตัเองตัวเองอเียป็นคนที่มีความสําคัญต่อพระพุทธเจ้าเนั้นเขอื่นมาตักมาเตือนนะไม่ฟัง แต่พระเจ้าท่านก็มีวิธีการที่ที่ชั่นฉลาดนะนะเพื่อขัดใจนะในช น, นะท่านก็เมตตาแต่เมตตาแบบทรมานะทรมานแบบไห น, นก่อนที่ท่านจะเสียไม่นานนะ่ะท่านก็บอกหมู่สงว่าให้ทําแบบนี้กพื่อในช น, นะ น, นะพระชนะคือว่าห้ามคบค้าสามาคมหรือไม่ให้พบค้าสามาคมให้เฉยเย ไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปคุณสิงอะไรเพื่ออะไรให้ชนะรู้ตัวเองว่าพอตัวเองทำตัวแบบนี้หมู่สง์นะหมู่สงไม่ยอมรับหมู่สงไม่รับครอบขั้วเมื่อเขาเองรู้ตัวว่าตัวเองทำแบบนี้เป็นที่ดังเกลียด ต, ต่อหมู่สงเขาถึงจะคิดได้อว่าที่ตัวเองสกัดและตัวเองแน่ตัวเองดีอเอาเจ้าออกบวชนี่ มันไม่เป็นที่ยอมรับต่อคนอื่นเขาถึงจะค่อยๆลดตัวตนลงมานะเพื่อให้เขาตอบมู่เพื่อให้เกิดการยอมรับคือเขาเปิดใจเนะี่ยเปิดใจในการฟังคำตักเตือนนะเปิดใจทาตามักเียบข้อวัดพรนะพอเขาเปิดใจเขาก็สามารถที่จะเอ่ยข้าใจธรรมะได้เหมือนกันนะแต่คือท่านก็ใช้เรียกว่าชยาแรงนะ ใช้การเป็นปกค้าสมามคมเพื่อเตือนก็มีอันนี้คือพวกเราเองก็ให้เราระลึกเนาะทุกจิจวัตรของเรานั่ยแหละคือการภาวนาเนะาะการกระทําคําพูดหรือความคิดนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจแล้วก็ให้พวกเราให้ตั้งใจปฏิบตนนัติเนาะสําหรับรุ่งเก่าวันนี้ก็คงมีเวลาให้เราได้ภาวนาเนะ It's been not cut.